ก่นจะฟังทมทำความสงบดีก่อนธรรมะต้องอาศัยความสงบจึงจะได้ความเราทำความสงบให้อยู่คงที่ตั้งจิตให้แน่วแน่อยู่กับที่ให้ส่งไปมาข้างหน้าข้างหลัง จิงจะฟังธรรมะนั้นในชัดเจนธรรมที่เราฟังโดยส่วนมากฟังสูงไม่ฟังขั้นต่ำแท้จริงขั้นต่ำก็ยังไม่ได้ต้องหาขั้นขั้นต่ำนี่ให้ได้ให้ก่อนแล้วคุณฟังสูงไปเลย เบื้องต้นที่เราทำควอมกราบไหวคารมนับถือพระพุทธธรรมประสงค์เท่านี้แหละเบื้องต้นถ้าหากว่าจิตเราแน่วแน่เต็มที่กราบที่หนึ่งคือพระพุทธเจ้ากราบที่สองได้ถกกึงคุณธรรมกราบที่สามได้ถึงคุณระสม ทำความอิ่มความเต็มให้เกิดขึ้นในใจของตนท่นทนี้ก็พ่อแล้วสมาธิแน่แวแน่แล้วยวนนี้เรากราบไม่ราบไปกี่ครั้งกี่หนไม่ถึงลพุทประการประสงค์เลยสักทีใช้ไหมไ้ <c oughs> <c oughs> แล้วกราวคำ พนามทิ้งพระพุทธเจ้าพระทหารสมาม ธ, ธิโทกราเป็นตนเราพนามถึงพระธรรมพสมฆ์ก็เหมือนกันถ้าจิตเราแน่วแน่ทิงคุณพระพุทธธรรมพระสงจริงก็เป็นประโยชน์จิตเราแน่วแน่เท่านั้น่ะอิ่มพอเต็มตื้นขึ้นมา คือ oh ปีติอันนั้นเน่ยเรียกว่าพื้นฐานของภาวนาตลอดทิฏกาวนณโมหรืออิติกิโสกโสกัะตุปทิปโนก็อันเดียวกันนะท่างหากจิตแล้วแน่วแน่เต็มที่เป็นอนุตสงบ ถึงคุณพระพุทธเจ้าถึงคุณพระธรรมแท้จริงจะไปเข้าใจเรื่องของตู้นธรรมะของเรานี้แหะเป็นของลึกอยูที่ใจไม่ใช่ตื้นไม่ใช่ลึกลึกอยู่ที่ใจมันธรรมะที่เรากล่าวนั้นก็เป็นของตื้นของลึกไม่เป็นปัญหาถ้าใจลึกซึ้งเข้าถึงคุณรพระพุทธตามพระธรรจริงแล้ว เป็นนั้นว่าจิตเต็มตื้นอิมโอบอขึ้นมาในใจเกิดปีติปลาโมดเกิดสมาธิแน่วแน่ในใจสมาธิอ่ะเป็นสะก่อนอย่าเพิ่งไป <c oughs> จเจริญปัญญาปัชนาเลยเจริญนี่ปัชนามันก็เป็นไปไม่ได้แล้ว พิปัสนาไม่ใช่ของเป็นง่ายเป็นแต่ละครั้งนารทีนี่ตั้งหลายปีหลายสิบปีก็จะเป็นยิปัจนาเป็นของเป็นเองไม่ใช่มิปัสนิกมัคิดสงสยัยไม่ใช่ยิปัจนาถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันชัดเจนแจ่แจ ง, งขึ้นในใจ ลงอนิจจังทุกขั้งนจะตามดสภาพทั้งหลายทั้งโลกนี้มดทุกสิ่งทุกอย่างยาบลงเป็นอนิจจังทุกขรั้งนาตามดนั่นเองเป็นเป็นอิปันสังครานี้ผู้ดำดับทิ้งเรื่องศีลเมื่อกล่าวถึงคุณพระุธตามะสมเที่ยาทำไปเป็นต้นแล้วศีล จะเป็นสินห้าหรือสินแปดสินเจ็ดสินทีบหรือยี่เจ็เอาเรารักษาสินได้แล้วื่อกวดก่าพิจารณาทั้งเรื่องว่าสินข้อนั้นขะนั้นแล้วงดเว้นเจตนาเวเจตนาวิริยะงดเวนเป็นสินสมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นมาในตัวของตนแล้วเห็นว่า บาป ก, กรรมนั้นๆเราไม่ทำเรางดเว้นได้แล้วข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าเป็นต้นไปเราดเดินจะกข่มชั่วข่มชั่วเหล่านี้แหละแล้วไปเจ้าดันเทพที่น่ารับบาปบาปปาประทำเรามดเว้นได้แล้ว ในเชื่อมั่นในจิตของตนว่าคนเราเกิดขึ้นมาในโลกอันนี้ใครจะมีจินเท่าจะมีจิตหา้าคบริบูรณ์มีจินห้าแล้วก็เอาถูกไม่พิจารณาถึงสิ่งของตนจิตนั้นก็ไม่เป็นผลอีกกอรพิจารณาถึงสิงที่เรามดเว้นจากก่อนนั่นแล้ว เกิควาปตุ้นปรี้ยตีดีนใจพอใจด้วยกว่าทำความอิ่มควพอในการที่เรามีสินหในการที่เรามีสิทธิ์แตะในการที่เรามีสิ่งจิตสิ่งทั้งหายที่เจ็บทำความอิ่มความพอก็เกิดปรี้ตีปัจจุบขึ้นมาเกิดสมาธิขึ้นมา ถ้าไม่ทำความอิ่มของพ่อยิงก็ไม่เป็นประโยชน์เทานักเรื่องศีลสมาธิปัญญามันเกิดเด็กกันทำศีลเท่านั้นให้สมบูรณ์บริบูรณแล้วพิจารณาทึ้ ง, งข้อกหนดเป็นนา น, านที่เราทำได้ที่เรามดเว้นในอิ่มพอใจเกวพสมาธิขึ้นมานีน เกิดปททัจจัยสมาธิขึ้นมาในตัวต่อท่านเ่ยให้มันอยู่นั่นเองก่อนมันปัญญานะ่ยนไว้ตอนหนึ่งตั้งคากเจริญให้มันชำนิชำนานจำเดินใหว่าจำเรินใั้นั น, นคล่องแคล่วทำให้มันอง พาวิตโตพระมรีก็โตันวัจรเญนให้มากทำให้ยิ่งยิ่งจะเป็นไปฝึกขมรูขคมรูยิ่งขึ้นมาทำ น, นิดนิดหน่อยหน่อยไม่ขเกียจเสียโดยไม่จะทำข้างหลังคั่วหามไม่เห็นไม่สราบว่าศไปอยู่ไหนเราลัก สาธิษนั้นรักษามาแต่นยแต่ไ้มาสมทานศีลกับสมทานแต่น้แต่ไรมาศีลไม่อิ่มไม่เต็มศีลไม่คอบริบูรณ์สากทีผู้ศาสนาจะเจริญได้อย่างไรจะฉีดหาจีดแกแยังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ สมบูบรณ์พวกนีที่มีสมบูรณ์แล้วแก่ไม่เกิดให้แก่แต่ไม่ที่จะนยอีมให้เต็มนันก็ไม่เป็นผลประโยชน์ยิ่งใหญ่จะมาพูดถึงเรื่องของเก่าเรื่องกราบเรื่องไหวการเลือกถึงคุณพุทธธรรมะสมมของเก่า เรื่อศีลสมาธิปัญญาก็ของเก่าตัวไหนตัวใดมาเรื่องสฏจจธรรมทั้งสี่กของเก่าโคจีปิยาธรรมสามที่เจ็ดก็ของเก่าท่านเทศที่ไหนที่ไหนก็ของเก่านี่แหละศีล ส, สมาธิกัสธมรมทานนีแ่แหละเราเรา จิงกับสมาทานีย แ, แล้วเราสมาธิกับจิตรักษ็พูดแล้ววุ่เราจะให้พูดอย่างไงกันอีกทำเป็นของเก่าปฏิเจตนเทศนาของเก่าครั้งละนี้เองท่านไม่อิ่มไม่พอก็เลยเป็นของเก่าเรื่อไป เาขา้องเก่านะั่นแหละพวกผู้พวกเราที่มันฟังเทพแต่ของเก่าคนผู้เก่าไปฟังที่ไหนแต่คนผู้เก่านี่แหละธรรมะที่ท่านเทพถนัดกรญจายไนปะอธิบายกุวงควงไปตามองหาน้องท่านโดยเข้าใจเป็นข้งใหม่โนยหลงหลงของเก่าใช่ แท้ที่จริงจะสิ้นสมาธิปัญญาแ้ให้เข้าถึงหลักของเดิมเถอะทั้งหมดเรื่องกันทำทั้งหลายไม่มีอุจจัยไม่ไม่นอกเหนือจากสินสมาธิปัญญา สมาทานชินแับของเก่าสมาธิกับของเก่าปัญญากับของเก่าถ้าพิจรารณาของเก่าซ้าๆซักซากนั่นมันเบื่มันก็เบื่อ บ, บุพีมันไม่เกิดสมาธิปัญญาชินมันก็ไม่มีมันก็เบื่อสิชินหางนี้อยู่ในตัวแล้วล่พิจรารณา ลงไแล้าจะเกิดความพอใจอิ่มใจในความบนสุดของตนสมาธิก็จะเกิดความจะเป็นสมาธิาในตัว <c oughs> หาคนควบกระจิวจถึงนั่นแหละไม่มีที่จิ้นที่สุดเข <c oughs> ้าใจว่าของใหม่เรื่อยไปมัดโบรานสมาธิประบาดของเก่าทั้งนั้น แนวที่ท่านเทศนาว่าไม่มีใหม่พวกแต่พวกเราทำทําไม่ถูกทำไม่ถูกต้องตามเรื่องมันจะค่อยเป็นของเบื่อหน่ายเดี๋ยวย่าหาอุบายนั่นอุบายนี่อะไระต่าง อุบายนะั่นมันอันหนึ่งเงียบคายมันอีกอันหนึ่นงเลยความเป็นจริงนั้นอุบายนะั่นฟังเทศฟังธรรมของคนอื่นต่างหาะเงียบขายถ้าคปัญญาของเราเกิดขึ้นมาไม่เหมือนเดนอกคนเรอัเนเงียบขายนะั่นมันเกิดวูว้มากขึ้นมาชับเจนแจงแจงเดวยวตนเองบอกใครไม่ถูกอุบายนะในเงียบขายนะั่น จะบอกคนอื่นก็ไม่ถูกเรารู้ขึ้นมาเองชัดเจนขึ้นมาเองอย่างว่าพิจารณาคุณของบิดามารดาอุปชาอาจารย์คุณพ้กงพารประสงค์เยี่ยเป็นต้น ท, ทั้งอธิบายพ่วงๆไปมากมายเรา้อพิจารณาไปพิจารณาไปตามอุปายขอยงท่ต่เวลามันจะรู้จริงๆอีกงจังจ อันน้อยนิดเดียวกันั้นมันเกิคเดควมรุงขึ้นมาชาดเจนแจ่งแจ้งกันก่นนทั้งน้ำตาร่วงตไะไลสลบฟังเมฆด้ว ย, ยเหตุที่เราพิจารณาจทีงมนคุณของท่านทั้งหลายแล้วนะั้น แล้วจะไปที่เอาไ อ, อ, อ, อ, อ้แล้วจะไปอธิบายคนอื่นฟังก็ไม่ถูกเรื่นั้นอธิบายเปรียบเทียบเปรียบเปให้รู้ประการต่างๆความจริจริงอธิบายไม่ถูกเรียกว่าเงียบข่ายของแต่ละคนแต่ละคนไม่ไม่รู้ไม่รู้อย่างเดียวกันรู้ไปแฝงต่างกันรู้คุณต่างที่อธิบายมัน เมื่อรู้แล้วเอาไปอธิบายคนอื่นฟังพระมุทเาเปรียบทเทียบเปรียบเทียบปก็เทียบกัน่าอันนั้นเป็นอุบายอีกแหละแต่คนที่จะรู้จากเห็นรู้แจ้งเห็นจริงนั้นเป็นเงียบขันของแต่ละคนเห็นนั้นจริงว่าธรรมะไม่ใช่ของลุกแกลกอะไรหรอก ครั้งที่ตืนอนี่แหละพิจารณาของนิตุนี่แหละที่จะ เ, เหตุผล น, นิพพานได้ก็ด้วยเงียบขายนั่นเองแต่ครั้งพุทธการพระไปนั่งภาวนาอยู่ถิรรทศให้นักยางจริงสาจะเอามาเป็นปริกรรม ยังได้คอนเสียนต้ว่านิพพานน่นนี่ก็รู้ลึกซึ่งอะไรท่านพิจารณาอะไรก็ไม่ทราบตออย่างจิตปลาเต็มคนรู้อย่างหนึ่งรู้ขึ้นมาอย่างหนึ่งตั้งหันถ้าหากว่าเราไปพิจนาจะพิจารณาเลยต้องอย่างจิตปลาอาจจะเป็นรู้เลย เห็นสลดสลดทั้งเวทในซักที่เบี่ยดเบียนทิ้งกันในกาก็าได้อาจจะรู้ด้วยซักเรียนว่าไอ้จเกิดขึ้นมาแล้วมันเบียดเบียนทิ้งกันในกันปัจจัยเกิดขึ้นมาแล้วกินกันตัวน้อยกินตัวใหญ่ก็ตัวไม่มีปัญญาตัวมีปัญญากินก็ได้ มันก็เกิดสรดสังเดชขึ้นมา <c oughs> คำที่ว่าควรรู้มันเกิดจากสมาธิมันเกิดตรง น, นั้นแหละไม่ใช่เกิดจากอกุนาเกิดจากสมาธิเกิดจากอุปาจาระเบื้องต้นนี่แหละ ัปนาสมาธิแท้นัน้มันไม่รู้อะไรหรอกสงบนิ่งแน่วเฉยอยู่เฉยนี่แหละความรู้มาเกิดจากอุปจาระตื้นนี่แหละความรู้ชัดเห็นจิตอย่างพุทธเจ้าของเราเมื่อะมนิพานเข้าชาสมาธิสมาบัต จนถึนิโรธสมาบัตินิโรธไม่ใช่นิพนิพานท่านย้อนกลับคืนมาถึงพระธ ม, มิชาทาย้อนกลับไปถึงเจดุติชานพอจดุติตจารเจุติชานในจังนิพิพานในระหว่างกามาพระจอนกรบลูกปากจอนก็ดูดิไม่ใช่รูดีกะไเลยู้ึกตูดนีละ แต่ว่าจิตของท่านแ น, วน่ยยนแนวแน่อยู่ในธรรมจิตแน่วแน่อยู่ในธรรมมันพิจารณาธรรมอยู่ตลอดเวลาคนเราอยากจะรู้ลึกอยากจะให้มันลึกเข้าไปพิจารณาลึกซึ้งเข้าไปจนเป็นสมาธิแน่วแน่เป็นอัปปนาสมาธิแน่วแน่ คิดว่าตรงนั้นจะเกิดปัญญาปัฒนาไม่ใช่ทั้งนั้นปัญญาปัฒนาแท้ไม่ใช่อย่างนี้เพื่อเจตประนีความที hmm. ่เราจะปฏิบ <avía> ัติให <illy> ้เป็นไปอย่างนั้นต้องอาศัยจิตให้ ต้อง ใ, ให้เข้าใจถึงเรื่องใจไม่เข้าใจทั้เรื่องจิตจิต ก, ก่อนถ้าหากไม่รู้เรื่องจิตไม่รู้เรื่องใจมันก็ฝึกพุทปฏิบัติไม่เต็มไปเป็นไปก็ไม่รู้เรื่องบางคนก็เป็นไปแล้วหละสมาธิภาวนาทีา่ไม่รู้เรื่องของเราเราเต้นอะไรตัว อ, อะไรสงสัยเรื่อยไป ให้เข้าใจถึงเรื่องจิตอันหนึ่งใจอันหนึ่งท่านก็พูดได้หลักจิตอันใดใจอันนั้นใจอนไร จ, จิตอันนั้นก่อนท่านก็พูดได้เหมือนกันแต่ทำไมยังพูดถึงเรื่องจิตหรือใจมันต้องมีลักษณะต่างกันเลยตั้งมาจะอธิบายความายให้ฟังอะจิตคือพู้คิดคือผู้นึก ใจทุกผูรู้สึกเฉยๆใจไม้ความคิดของกลางไม่คิดดีคิดชื่วไม่ปุ้มแต่เป็นบาปเป็นบุญไม่คิดใจตรงกลางนั่นแหละจะรู้สึกว่าใจดีรู้สึกว่าเราอยู่ตรงกลางอันนั้นเรียกว่าใจ ถ้าคิดถ้านึกตุงแต่งสรพัดปัญญารุมทั้งหมด น, นั่นเป็นจิตอธิบายอย่างนี้ธรรมาอธิบายเขาให้เข้าใจอย่างนี้ถ้าหาอยากจะเข้าใจกันจริงเอาเดี๋ยวนี้ก็ได้ให้รู้เรื่องเดี๋ยวนี้ก็ได้การการรวงให้ใจพักัหนึ่ง การออกม่ใจสักพักนึงไม่มีคิดคุ้ม แ, แต่รู้สึกว่ามีผู้มีผู้นั้นมีอยู่อันนั้นเป็นตัวใจแท้ใจนั้นเป็นจิตต่งางกรืครับตําลังเป็นของเรื่องประพัดสอนอยู่ตลอดเวลา แต่หาไม่ใช่บริสุทธิ์ของบริสุทธิ์ธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างนั้นหากาักนทุกข์ก็เฉลยจอนมาคือวไม่ใค่จอนมาคิดโดยจอนระหัตใส่สายแต่หายอารมณ์ต่างนั่นแหนจอเรียกว่าจอนมาความไม่จริงก็ไม่ใค่จอนม า, า, ม, นน ม, น ม, ามันปรุงมาแต่งมันคิดมันนึก อันนั้นอะเราจะต้องฝึกฝนอรงตรงอนนั้นแหละเราไม่ต้องฝึกฝนอันดิแต่ฟึกฝนที่ไหนก็ฟุ้ฝนตรงจิตนั่นสิฟึกฝนเอาเรื่อฟุ้ดฝนเอาสตินั่นสิมากํำนด์ฟุ้ฝนตรงนั้นอ่ะให้รู้เรื่องของจิตว่าคิดดีจิตชั่วหยาบละเ อ, อยียดตรงหน้าตรงหลัง ใหรู้เรื่องของจิตคิดดีก็รู้จักว่าคิดดีอ่อนี่มันถูกคิดดีคิดชัว่วจะรู้จักว่าชั่วละครบชัว่วนะเจ้าตามรู้เท่ารู้เรื่องอยูตลอดเวลาทุกกิริยาบทตรทำนานๆละเข้ามันก็ค่ฟยาลงไปอ่อนลงไป แล้วไม่จะเข้ารวมลงมาเป็นใจของเก่านั้นอ น, นั้นชาละมันชาละรักษางมันตลอดเวลาทุกยี่ย아버ตนั่นจะรวมมาเป็นใจของเก่ารวมแล้วมันก็จะออกไปอีกไปเป็นจิตอีกชิดนิ้งปุุงแต่ง ก, กับชาละของเก่าน่ะการชาละยังนี่แหละชำนี่ชานานรู้เท่ารู้เรื่องของมัน เนี่ยเข้ามารวมไปจัดนานเนี่เข้ า, าก็บชมีชํานานเรื่องกิเลสทั้งหลายมันก็ค่อยหายจากไปจากไปโดยที่เราไม่ตั้งใจละละกิเลสไม่ใช่ละกะละปุปรัตถ์เพีเดียวมันต้องอาศัยนชํานนี้ชั่นานหากห้ชํานนี้ชํนานาญแล้ว ถึงเป็นไปก็ถอนกลับคืนมาไม่รู้เรื่องไม่ใจของง่ายๆนะการทําภาวนาสมาธิของยากที่จะดีเด่นแค่เท่าไรก็เอาเถอะแตถ้าไม่รู้เรื่องของวันนี้แล้วกลับขึน้นมากลับขึ้นมาแต่เลยไม่รู้เรื่องของเราอีกสลยกลับมาหาจิตของเก่าไม่รู้เรื่องอีกเ มันเรายังคยเสื่อมจากสมาธิเสื่อมจากศาสตรเสื่อมจากปัญญาตรงนี้อีกการพิจารณาอะไรก็ตามเถอะรู้เท่ารู้เรื่องเขามันดังอธิบายฝังมานั้นแล้วมันมีที่สุดคือมันรวมลงมาเป็นใจของเก่ามันรวมลงมาถึงใจของเก่าพุทธศาสนานี่มีที่สุด เรียนไม่ที่จบไม่ใช่จบไม่เป็นพระพุทธเจ้าสอนสาวกทั้งหลายสอนถึงที่สุดแห่งอรหัตมรรมกัลัาตาโกณแล้วก็ส่งไปประกาศประกาศกันนะคำว่าสอนถึงที่สุดแห่งวารหัตธรรมกัลยาตาโกณนั้นอย่างนี้แหละทุกที่สุด คือมันเข้ามาเป็นใจแต่ท่านไม่ได้สเสเร็จของคนนี้ผ่านทุกผมนถ้าหากว่าไม่มีที่หยุดที่ยัง่งอะไรแล้วตระเวนโปรยไปใช้ไม่ได้สมาธินั้นใช้ไม่ได้เพราะปัญญาไม่ใช้ไม่ได้